ข อ, อนอบน้อมพระรัตนตัยข อ, อการหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อกมพระจัน์ยุกิแล้วก็ข อ, อการเพื่อนธรรมมิทุกท่านจะเดินธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนนะวันนี้น่ารักนะมีเด็กๆมาทำวัดด้วยนะทำบ้างเล่นบ้างก็ยังดีนะอืฝกฟังไว้ให้เด็กมาบืคุณเคยกับวัดนะเดีย๋ยวไปมอง บางทีมีเสียงดังบ้าง mm hmm. ก็จะไปเรียกว่าไปเอาผูกเผิดกันมากเนาะ mm hmm. การที่ได้มาในสู่ที่ดีเนี่ย mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะบางทีก็ต้องเรียกว่าให้โอกาสกันได้ปรับตัวปรับใจกันในทางที่ดีนะ mm hmm. เหมือนอย่างบางทีพระอาจารย์พุทธทาสทนะ่านมีบทกลอนที่บอกว่า mm hmm. เขามีส่วนเลวบ้างจ้าหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยนะจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวคนหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะนะถ้าเรารู้จักการมองนะมองในแง่ที่ดีนะ มองในแง่ที่มีประโยชน์จิตใจของเราก็จะมีความเบิกบานไปในจิตใจนะจิตใจเราจะมีความสุขมีความเบิกบานเพราะเห็นอะไรต่างๆก็เป็นในแง่ที่ดีนะเห็นอะไรต่างๆก็น้อมมาเป็นธรรมะเห็นอะไรต่างๆก็เกิดเป็นเรียกว่าสอนธรรมะเราได้ทั้งนั้นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจะเจอสิ่งที่ต้องการก็ดีนะเรียกว่าได้สิ่งที่ต้องการประสบ พบเจอกับสิ่งที่น่าปรารถนาก็เรียกว่าเกิดความสุขเกิดขึ้นเกิดความพอใจเกิดขึ้นก็รู้ทันความสุขที่เกิดขึ้นพอใจรู้ทันความสุขที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเออก็ไม่ไปยึดถือความสุขนั้นนะก็ไม่เป็นไรได้มาแล้วนะก็รู้ทันว่าได้มาเสียไปแล้วผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่เป็นไรนะไม่ไปยึดถือความสุขนั้น ว่าจะต้องอยู่นานๆไม่เป็นไรมาแล้วก็ไปได้นะอยู่ก็อยู่ไปนอะกจากมองอะไรต่างๆในแง่ที่ดีชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะหรืออย่างพวกเราได้แผ่เมตตาเมื่อสักครู่นี้เนา ะ, ะเห็นทุกคนเห็นทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น มีแต่เพื่อนร่วมทุกข์กันทั้งนั้นเลยนะเพื่อนร่วมทุกข์ที่เป็นวัยเด็กเพื่อนร่วมทุกข์ที่เป็นวัยเจาดาเพื่อนร่วมทุกข์ที่เป็นวัยกลางคนเพื่อนร่วมทุกข์ที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระเป็นชีมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์ของเราทั้งนั้นที่จริงเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายนะก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ปวกก็ดีนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มดก็ดียุงก็ดีนะ เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งนั้นหรือแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มองไม่เห็นก็ดี <c oughs> ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะร่วมทุกข์ในวัฏสงสารนี้วงวนเวียนเวียนไหวแต่เกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันทุกข์อยู่ตรงนี้นะนะวนวนเวียนกันเห็นคนต่างๆก็เป็นเพื่อนเราทั้งนั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ปองร้ายไม่ทําร้าย ไม่มุ่งร้ายกันอันเนี้ยถ้าเรามองสิ่งต่างๆนะเป็นเพื่อนรุ่มทุกชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ง่ายออเห็นละทุกคนเกิดมาก็อยากที่จะเรียกว่านะละทุกขสแสวงหาความสุขเนาะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจให้ได้มากที่สุดแสวงหาความสุขกับจิตใจให้มากที่สุดเนาะไม่ใช่แต่คนเนาะะสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้มีวิธีคิดที่จะ ไม่อยากเจอความทุกข์อยากจะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจอยากจะมีความสุขในจิตใจมากขึ้นแต่นะมันก็ต้องรู้ว่าอะไรคือทุกข์นะอะไรคือสาเหตุของความทุกข์นะอะไรคือวิธีที่จะดับทุกข์ดับทุกข์แล้วมันเกิดผลอย่างไรมันก็ต้องรู้จักทุกข์นะให้แจ่มชัดนะถึงจะเรียกว่าละความทุกข์ได้วางความทุกข์ได้ความสุขก็เช่นเดียวกัน อยากจะได้สุขอยากแสวงหาความสุขก็ต้องรู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงนะก็ต้องรู้นะถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงก็ไปเอาความสุขจอมปลอมนะเมื่อได้ความสุขจอมปลอมความสุขจอมปลอมก็หายไปก็เกิดความผิดหวังเกิดความพัดผ้าเกิดความสูญเสียก็กลายเป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งดังนั้นสภาวะที่เรียกว่าความไม่ทุกข์หรือว่าดับทุกข์มันก็คือสภาวะที่เรียกว่าสุขที่แท้จริงนะ นั้นพวกเรามีเป้าหมายที่ถูกแล้วที่จะละทุกข์ออกไปจากจิตใจมีต้องการที่จะมีความสุขที่แท้จริงนะนี่ยเราก็มาปฏิบัติธรรมกันที่ที่แห่งนี้นะในสถานะไหนก็แล้วแต่ถือว่ามาสแสวงหาตรงนีนะ้มาเดินทางตรงนี้กันเนาะพระพุทธเจ้าท่านบอกวิธีการให้ชัดเจนถ้าจะละทุกข์ให้ได้ต้องรู้จักทุกข์ให้ดีทุกข์อยู่ซึ่งตรงไหนนะ ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะแต่ทุกข์มาอยู่ที่ว่าเรามีความเห็นผิดนี่เองนะถ้าเรามีความเห็นผิดนะชีวิตก็เลยกลายเป็นทุกข์แต่พอเปลี่ยนความเห็นผิดได้นะละอวิชาที่เกิดขึ้นได้ชีวิตก็เกิดเป็นความสุขขึ้นมาทันทีเพราะว่าละทุกข์ก็เลยเกิดเป็นความสุขเรามาดูความทุกข์มาเกิดจากอะไรนะความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีกายเพราะมีใจหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะมีกายก็เลยต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตายไปต้องมีการแก่แล้วก็ตายไปเพราะมีกายมันก็เลยต้องมีทุกข์เรื่องของกายเพราะมีใจมันเลยมีความทุกข์หรือเปล่ามีโรคมีโกรธมีหลงนะมีรักมีชังมีอิจฉามีพยาบาทมีอะไรต่างๆมากมายหรือเปล่ามันจะเป็นต้อเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาศึกษาให้ดีๆนะ นะศึกษาให้ดีๆเพราะว่าเรามีกายที่ได้เกิดมานี้มันเลยต้องมีการมีโรคภัยไข้เจ็บนะมีความแก่แล้วก็สุดท้ายก็มีความตายเนี่เป็นธรรมชาตินะให้เรายอมรับความจริงตรงนี้เลยเนาะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะไม่เป็นไรอะไรจะเกิดขึ้นกับกายนี้ก็ไม่เป็นไรนะให้ยอมรับความจริงไปแต่ถ้าเราไปดิ้นนินขนขวายมากไม่ยอมรับความจริงนะ กายมันแก่แล้วกายมันเจ็บแล้วสุดท้ายกายจะตายแล้วไม่ยอมรับความจริงจิตใจที่ไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละเป็นจิตใจที่เรียกว่าจิตใจที่มีความทุกข์แต่ถ้าจิตใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแต่ก็มีปัญญาในการรู้ว่าออถ้าจะแก้ไขถ้าจะบำบัดถ้าจะบรรเทามันได้เราก็บำบัดบรรเทามันไปอันนี้เป็นเรื่องของกายนะเรามาศึกษากายเพื่อให้เห็นว่าความทุกข์ของกาย เนื่องด้วยความมีกายนี้เองนะนะเนื่องด้วยความมีกายนี้เองมันก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาแต่กายนี้แก้ไขไม่ได้หรอกมีแต่ยอมรับอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปยอมรับมันแกแ่ยอมรับมันเจ็บยอมรับมันตายไปยอมรับแบบนี้ได้ก็สบายแล้วนะยอมรับเรื่องของกายได้ก็สบายยอมรับได้นี่ก็คือว่าอะไรก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นของเราที่เรายอมรับไม่ได้เพราะาอะไรเพราะว่ า, ายังมีกายของเรา มีขา studios, auen, จะมีแขนจะมีหัวของเราอยู่นะเนื่องด้วยความมีกายตัวนี้มันก็เลยเนื่องด้วยความมีของของเราตามมาด้วยนะเนื่องด้วยกายนี้เป็นของเรามันก็เลยมีของของเราตามมาเสื้อผ้าของเรากระเป๋าของเราแว่นตาของเราอาหารการกินของเรานะเนื่องด้วยความมีเราในกายนี้มันก็เลยเนื่องด้วยวัตถุสิ่งอื่นที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยกายนะ ของเราด้วยมันก็เลยเกิดเป็นความหวงแหนนะแต่ถ้าจิตใจของเราเห็นว่านะกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราวัตถุสิ่งของต่างๆมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกนะแต่มเป็นของที่เรายืมมาใช้มีเหตุมีปัจจัยจะเผื่อแผ่แบ่งปันกันได้แล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันไปนะเอามาใช้ประโยชน์เองก็เอามาใช้ประโยชน์กันไปแตนะ่ถ้าเราเห็นความจริงของกายนี้นะว่าไม่ใช่ของเรา ไม่มีอุปทานในการยึดมั่นว่ากายนี้เป็นของเรานะจิตใจมันจะมีความเรียกว่าเบิกบานเบิกบานเพราะว่าเห็นความจริงว่ากายเนี้ยที่แท้จริงไม่ใช่ของเราแต่เป็นการยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นนะไม่ใช่ใช้นานเลยนะอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีหรอกนะอย่างมากก็ไม่เกินร้อยยี่สิบปียืมมาใช้ชั่วคราวไม่แน่หรอกนะวันไหนเจ้าของที่แท้จริงนะ เขาจะเาคืนไปวันไหนก็ได้อาจจะไม่ถึง 80- 90ปีก็ได้นะอาจจะวันพรุ่งนี้อาจจะปีข้างหน้าก็เป็นไปได้เช่นั้นดังนั้นการที่มาเห็นว่ากายนี้เป็นของชั่วข่าวกายเป็นของที่มาประกอบกันด้วยธาตุทั้ง4ีนะ่มาประกอบกันเท่านั้นมาจะเห็นเลยว่าอ๋อมาเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกจะไม่ใช้ชีวิตอย่างที่ประมาทแน่นอนจะไม่ใช้กายนี้ในทางที่ไม่ดี จะไม่ใช่กายนี้ไปทางที่เกิดโทษจะไม่เอาสิ่งที่เกิดโทษมาใส่ในกายนี้แน่นอนเพราะว่าแค่กายมันก็ยังมีความผุพังก็ยังมีความเสื่อมยังมีโรคภัยอยู่แล้วจะเอามาทำไมความทุกข์ความไม่ดีเข้ามาสู่กายนี้อ่าอันนี้ที่เป็นวัตถุก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันจะเห็นว่าที่จริงกายนี้ก็ดีใจนี้ก็ดีนะที่มันทุกข์นะหรือว่ามันสุขมาก เนื่องด้วยสภาวะที่เป็นนามธรรมนี่เองก็คือเรื่องของจิตใจหลายๆอย่างนะจะเห็นเลยว่าจิตใจนี่แหละเป็นตัวสำคัญเป็นตัวสำคัญเลยจะสุขจะทุกข์ก็เพราะใจทั้งนั้นเนื่องด้วยการมีกายก็เกิดความทุกข์แล้วแต่เนื่องด้วยการยึดว่าใจเป็นของเรานี่ยิ่งทุกข์หนักกว่ากายน ะ, ะการไปยึดว่ากายเป็นของเรามันก็ยังทุกข์อยู่แต่กายมันก็แสดงอาการให้เห็น ชัดว่ามันไม่ใช่ของเรานะผิวมันจะเหี่ยวผมมันจะงอกนะขามันจะเจ็บบังคับไม่ได้ <c oughs> มีใครบังคับได้ไหมนะจะดัดแปลงแก้ไขตกแต่งอย่างไรก็ของชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนไปทั้งนั้นนะแต่ใจนี่แหละใจที่ลงไปยึดว่ามันเป็นของเราเนี่ยแหละมันทำให้เกิดเป็นความทุกข์ถ้าเรากลับมาศึกษาเห็นใจที่แท้จริงนะจะเห็นว่าไม่แต่ใจที่อยากจะไปยึดว่าเป็นของเราเนี่ยแหละ มันก็ยึดไม่ได้มันกลับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งกว่ากายแต่อีกวันวันหนึ่งไม่รู้คิดกี่ร้อยครั้งพันหนนนะวันวันหนึ่งไม่รู้มีกมีกี่อารมณ์นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ร้องไห้อ่านะเดี๋ยวก็หวัวเราะเดี๋ยวก็สงบนิ่งอะไรต่างๆวันวันหนึ่งอารมณ์ผ่านเข้ามาในจิตใจนี้นะมากมายสารพัดมันเห็นเลยว่าโอ้ใจนี้ มันไม่เคยเที่ยงแท้แน่นอนเลยมันมีแการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปไม่มีอะไรคงที่แน่นอนแภาวะต่างๆมีแต่ความทุกข์เท่านั้นนะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ทุกข์จนกระทั่งร้องห่มเสียงร้องไห้เส yep. ียใจทุกวันดอกแต่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมไม่สามารถทนอยู่อาการเดิมได้อะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถทนอยู่อาการเดิมได้ใจจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ ไม่สามารถอยู่ในสภาวะเดิมได้แน่นอนเลยนะวันนี้เราร้องไห้ <c oughs> ก็ไม่ได้ร้องไห้ตลอด24ชั่วโมงหรอกมีจังหวะที่มันไม่ร้องไห้ก็มีใจที่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์มันก็ไม่คิดตลอดเวลาหรอกมันก็มีจังหวะที่ลืมคิดพักความคิดนะหรือมันเบื่อที่จะคิดแล้วก็มีเช่นกันนะหรือความสุขเกิดขึ้นนะบางคราวก็รู้สึกว่ามันสุขมันส ง, งบแต่บางคราวมันก็เฉยเฉยไป ไม่รู้ว่ามันสุขไม่รู้ว่าสงบก็มีจะเห็นเลยว่าทุกอารมณ์จะดีก็ตามไม่ดีก็ตามกลางๆ ก, ก็ตามจะอยู่ในอาการที่เราไปชอบก็ตามอยู่ในอาการที่เราไปยึดว่าไม่ชอบก็ตามหรืออยู่ในอาการที่เราคงไว้ให้มันอยู่สภาวะเดิมก็ตามมันไม่สามารถคงสภาวะเดิมได้นะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เสมอเหมือนกับเราเอามือคว้าจับอากาศนะ ไม่สามารถคว้าจับได้เลยนะเหมือนกับเราเอามือไปคว้าอารมณ์ไว้ให้มันคงที่ก็ยิ่งไม่ได้เช่นเดียวกันนะมันไม่สามารถคงที่ได้แน่นอนนะมันเป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมออยู่เสมอนะมันมีกฎของความทุกข์ที่เรียกว่าตามันไว้นะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันทนอยู่อาการเดิมไม่ได้ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ใช่เป็นไปตามใจเราต้องการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นถ้าทำเหตุเช่นนี้ก็เลยเกิดผลเช่นนี้นะมันก็เป็นแค่นั้นของมันเองมันเป็นเช่นนั้นของมันเองจริงๆนะนะถ้าเรายอมรับได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเช่นนั้นของมันเองนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าใจเราอยากให้เป็นนะถ้าเราไปยึดอาการต่างๆล่านั้นไว้เนี่ยคนที่จะทุกข์ก็คือตัวเรานี่แหละนะ เมื่อ ใ, ใจเราทุกข์นะก็เกิดความร้อนรุ่มสุมเหมือนไฟสุมในซวงอกของเราเนี่แหละนะร้องไห้เสียใจไปดังนั้นวิธีการนะกลับมาดูความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ไม่อยู่ที่คนอื่นมาพูดมาว่ามาทําร้ายเราหลักแต่ความลุกมันเกิดขึ้นเพราะว่าใจเราวางไม่ผิดนี่เองไปยึดว่ากายนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราที่จริงทุกสิ่งท้งอย่างเป็นเพียงแค่สภาวะ สภาวะธรรมหนึ่งที่เป็นของธรรมชาติเท่านั้นเมื่อเราไม่ยึดมันก็เลยเกิดเป็นการปล่อยวางนะไม่ถือไว้มันก็วางไปก็แค่นั้นเองมันง่ายนิดเดียวนะแต่จิตมันหงเห็นผิดมานานก็ต้องเรียกว่าค่อยๆฝึกให้มันเห็นตรงฝึกให้เกิดการปล่อยวางให้ได้การมีสตินี่แหละนะจะช่วยให้เราเห็นความจริงของธรรมชาติของกายแล้วก็ของใจการมีสตินี่แหละจะช่วยให้เราปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่น ในกายในใจหรือในอารมณ์ต่างๆได้กลับามาเห็นความจริงความจริงในที่นี้ก็คือความจริงที่ปรากฏในปัจจุบันนี่แหละนะไม่ใช่ไปหาความจริงจากอดีตไปคิดว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมถึงเรื่องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับเราเนะี่ยไปคิดเลยนะปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตปล่อยให้เป็นเรื่องของกายและจิตของคนอื่นเถอะนะ ไม่ใช่กายและจิตของเราหรอกนะปล่อยไปเลยนะไม่ต้องไปหาคําตอบไม่ต้องไปค้นคว้าเรื่องของคนอื่นหน้าที่ของเราก็คืออะไรดูใจเรานะดูใจเราถ้าใจเราทุกข์ถอนความทุกข์ออกจากจิตใจเราก่อนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านะท่านเคยยกตัวอย่างว่าถ้ามีคนยิงธนูใส่ซวงอกของเราเราจะทําอย่างไรเราจะให้ไปหาหมอให้หมอถอนธนูออกจากซองอกของเราก่อนไหม หรือว่าเราจะต้องไปเที่ยวค้นหาว่าทำไมเขาถึงยิงธนูมาใส่เราลูกธนูนี้นะใครเป็นคนยิงดอกธนูนี้นะมาจากทิศไหนทำจากไม้อะไรมียาพิษหรือเปล่าหรือไม่มียาพิษนะไปทามหาเหตุหาผลมากมายจนดื่มถอนธนูออกไปจากจิตใจคนไปคิดถามแบบนั้นนะถ้าแลาก็ยืนยันว่าถ้าฉันไม่ได้คำตอบเหล่านี้นะ ท่านจไม่ถอนธนูออกไปจากจิตใจก็ต้องตายไปเสียเปล่ า, าเพราะว่าเราไม่ไปหาไม่สามารถไปหาคําตอบอได้ทั้งหมดหรอกมันตายไปก่อนเหมือนกับเวลาเราเจอความทุกข์ละอย่าเพิ่งไปถามว่าทําไมมันถึงทุกข์นะหรือว่าทําไมเขาถึงมาทํากับเราอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปถามอย่าเพิ่งไปหาคําตอบดับทุกข์ในใจตัวเองก่อนนะดับทุกข์ในใจตัวเองก่อนเมื่อดับทุกข์ในใจตัวเองได้แล้วมันก็สบายมันก็เบาเมื่อ เ, เรา เมื่อ uffy, ชีวิตเราพ้นนะจากอันตรายแล้วหรือว่าชีวิตเราปลอดพ้นจากความทุกข์แล้วค่อยไปหาก็ได้ว่าทำไมนะมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะก็ค่อยไปหาก็ได้แต่เอาชีวิตให้มันรอดก่อนจิตใจก็เช่นเดียวกันเอาชีวิตให้มันออกจากความทุกข์ไปก่อนนะมันามาจะมาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เอาชีวิตออกจากความทุกข์ก่อนเมื่อชีวิตมันไม่ทุกข์แล้วควนี้ ค, ค่อยไปไข้ควรดูก็ได้ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเช่นใร มันเลยเกิดเป็นผลเช่นนี้อนนะ่ะค่อยไปดูมันก็ยังไม่เสียหายยังไม่ตายไปแต่ถ้าไม่ดูก็ได้ก็มาดูอารมณ์ในปัจจุบันก็ได้เพราะที่จริงอารมณ์ในปัจจุบันก็มีของใหม่ผวานก็มาเยอะแยะมากมายนะที่จริงชีวิตเราเหมือนคล้ายๆถ้าเราไปอยู่ในกรุงเทพนะถนนที่กรุงเทพเนี่ยแทบไม่เคยว่างจากรถลาเลยนะไปยืนอยู่ข้างถนนนะจะมีรถสารพัดวิ่งผ่าน ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวามามากมายถ้าเรามีสติปรรัญญาเราว่องไวนะจะเห็นอารมณ์มันผ่านเข้ามาถี่มากเหมือนเราไปยืนอยู่ในใจกลางกรุงเทพทั้งวันทั้งคืนมีแต่รถผ่านซ้ายขวาหน้าหลังสีสันต่างๆ่งดงามผู้คนในร ถ, ถแสดงอาการต่างๆมากมายถ้าจิตใจเรานะไปดงไปยึดกับรถที่มันผ่านเข้ามาผ่านแล้วก็ผ่านไป ไปยึดกับสิ่งภายในรถนั้นว่ามันมีอะไรต่างๆเราก็เรียกว่าดื่มที่ปัจจุบันไปล้อยู่กับอารมณ์เรื่อยไปนะไม่ควรทำเช่นนั้นแต่หนะ้าที่ของเราก็คือว่าเรายืนอยู่เฉยๆยแล้วก็ดูอารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาต่อหน้าแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ผ่านออกไปต่อหน้าเช่นเดียวกันไม่มีอารมณ์ไหนผ่านเข้ามาแล้วไม่ผ่านไปไม่มีอะไรเลยนะทุกสิ่งทุก อ, อย่างมีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่มีใครบังคับให้มันอยู่คงทนได้นานดอกไม่มีนะมันมีแต่อาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะเป็นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มีแต่อาการชิ้นนี้เนี่ยเราปฏิบัติธรรมนะเราจะเห็นความจริงตรงนี้แหละของชีวิตไม่ใช่แต่ความจริงตรงนี้ของชีวิตเราเท่านั้นความจริงตรงนี้เกิดกับทุกชีวิตเกิดกับทุกสรรพสิ่งนะในสากลนรกนี้ก็ว่าได้ไม่ใช่แต่พบภูมิมนุษย์เท่านั้น พภูมิอื่นก็เช่นเดียวกันก็ยังตกอยู่ในอาการของความจริงตัวนี้แหละเราฝึกเรามาศึกษาเพื่อที่เห็นตรงนี้แหละการมีสตินะจะเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้เราเกิดปัญญานะปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรียนเก่งหัวสมองดีเท่านั้นอันนั้นเป็นปัญญาภายนอกปัญญาของทางโลกเอาไว้ไปประกอบอาชีพเอาไว้ไปเรียกว่าไปใช้ในการทําการทํางานซึ่งก็เป็นประโยชน์ ปัญญาในทางธรรมคืออะไรปัญญาในทางธรรมก็คือการที่รู้ความจริงของสังขาร น, นี้ก็คือกายและก็ใจรอบรู้ในกองสังขารก็คือรอบรู้ในกายและใจไม่ใช่เรื่องมากเลยนะพระพุทธองค์ท่านสอนไม่ได้นะเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าท่านสอน8ปดห0ืเรื่องสรุปแล้วคือสอนเรื่องเนี่ยเรื่องสังขารก็คือกายและก็ใจนี่แหละมันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วก็จะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้น จากสังขาญนี้คือกายและใจนี้ได้อย่างไรแปดมืนสี่พันเรื่องสอนแค่นี้ที่เองบางทีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบนะคำใบไม้นะมาหนึ่งกำมือใบไม้หนึ่งกำมือในฝ่ามือพระพุทธองค์นะมีอยู่สี่ใบนะแล้วก็ถามเราพิสูจนว่าใบไม้ในกำมือของเราเนี่ยกับใบไม้ทั้งป่าอันไหนมันมากกว่ากันนะเหล่าพิสูจน์ทั้งหลายก็ตอบว่า ใบไม้ทั้งป่ามีมากกว่าใบไม้ในฝ่ามือของพระพุทธองค์ใช่แล้วนะใช่แล้วเธอฉลาดมากที่จริงก็เป็นง่ายที่สุดนะแต่ที่จริงฉลาดเพราะอะไรที่จริงความรู้ของพุทธองค์นะรู้มากมายมหาศาลแต่สิ่งที่ทรงมาสั่งสอนพวกเราเนะ่เพียงแค่ใบไม้ในกํามือเดียวเท่านั้นนะพระพุทธองค์ท่านสอนเนื่องอะไรใบไม้สี่สี่ใบนี้คือใบอะไร ใบทุกใบสาเหตุของความทุกข์ใบการดับทุกขและก็ใบหนทางที่จะดับทุกขได้สอนใบไม้4ี่ใบนี้เท่านั้น8 4 0 0มพเรื่องมีแต่4เรื่องนี้เท่านั้นแต่เรื่องอื่นพระองค์พุทธองค์รู้ไหมรู้แต่ไม่เอาทรงมาสั่งสอนเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกขไม่เป็นไปเพื่อความสงบ ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพานก็เลยไม่เอามาสอนนะมันก็อยู่ตรงนั้นของมันแหละแต่ไม่ไม่ช่วยให้เกิดความหนับทุกข์ก็เลยไม่เอามาสอนก็แค่นั้นดังนั้นนะชีวิตของคนเราทั้งหลายทั้งปวงนะพยายามกลับมาเพื่อทำจุดหมายของเราให้มั่นคงก็คือการหนักทุกข์ในจิตใจของเราก่อนนะอย่าปล่อยให้ความทุกข์มันนอนเนืองในจิตใจของเรานะชีวิตนะนี้มันไม่จาเป็นต้องทุกข์นะ เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์นะคนอื่นก็เหมือนกันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์เช่นเดียวกันนะเมื่อเราทําจิตใจของเราให้ไม่ทุกข์แล้วก็ว เ, กว เ, เป็นกันยามิตรให้กับคนอื่นเขาไม่ทุกข์เช่นเดียวกันนะเราจะอยู่เนื่องด้วตัวของคนเองคนเดียวก็ไม่ได้ก็เป็นกันยามิตรให้คนอื่นไม่ทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันเนี่แหละถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชีวิตอาจจะเจอสุขบ้างทุกข์บ้าง เจอปัญหาบ้างเจอทั้งราบเรียบบ้างอันนั้นเป็นแค่เรียกว่าเป็นแค่สิ่งภายนอกเท่านั้นแต่ทุสิ่งทุกอย่างนะมาเพื่อถ้าเรามีสติปัญญาพอเขาจะเป็นตัวทำให้เราเกิดการเรียนรู้ที่จะวางใจนะกับสิ่งต่างๆที่พบเจอได้อย่างไม่ทุกข์เจอโรคธรรมายบวกนะุสขสรรเสริญราบหรือว่ายศต่างๆก็รู้ทันมัน ไม่หลงนะในสุขไม่สงในลาภไม่ซกไม่หลงในคําสรรเสริญไม่หลงในยศที่เขาแต่งตั้งไม่หลงในอํานาจที่มีนะไม่หลงที่เจ็บยึดไว้ว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้เที่ยงแท้แน่นอนไม่หลงว่ามันจะต้องมีมากขึ้นนะไม่หลงว่าจะไม่อยากให้มันหายไปหรือไม่แต่เจอความทุกข์เข้ามานะเป็นโลกธรรมฝไฟรบก็ดีแต่เป็นความทุกข เป็นความเสื่อมราบเป็นความเสื่อมยศเป็นคำนินทาก็รู้ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองนะจะหาคนรักเราทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่เราอาจจะรักคนทั้งหมดได้นะนะจะ ใ, ให้คนทั้งโลกมารักเราเป็นไปได้ยากแต่เราอาจจะรักคนทั้งโลกได้นะรักสรรพสัตว์ทั้งร้ายได้รักต้นไม้รักมดปวกรักยุงก็ได้นะยุงมากัดเราทาให้เกิดเป็นความเจ็บ แต่เราก็รักยุงได้นะเพราะว่าเขาหิวเขาก็เลยมากินเลือดก็แค่นั้นเองเขามาแค่มากินเลือดเราจะตบเขาให้ตายเหรอโอ้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเออให้เขากินสักหน่อยแล้วก็ให้เขาไ ป, ไปหาเลือดคนอื่นต่อก็ยังได้นะเขปัดปัดเป่าๆไปเนะี่ยเห็นแม้แต่ยุงที่เขามาทำร้ายเราเราก็ยังมีเมตตานับประสาอะไรกับสบรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อื่นๆก็เช่นเดียวกันนะ เราอยู่กันในสังฆะอยู่ในสังคมที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันทั้งนั้นทุกคนก็ตั้งใจที่จะพาชีวิตออกจากความทุกข์ทุกคนก็ตั้งใจที่จะทำชีวิตให้มีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้อง เ, เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะพากันออกจากทุกข์ให้ได้เนาะเป็นเพื่อนกันเป็นกัตัญมิตรกันแล้วก็เริ่มต้นที่ไหนก็เริ่มต้นในตัวของเราเองเนี่แหละเริ่มต้นที่ใจของเราเองนี่แหละแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนอื่นนะบางที คนอื่นเผลอไปบ้างล้งไปบ้างนะนก็ให้ไปกันน ะ, ะเรียกว่าบางทีก็เผลอพลาดไปนะก็ถือว่าผิดพลาดอาภัยกันได้นะก็ให้ไปกันได้ก็ให้อภัยกันนะถ้าเรามองกันด้วยความที่มีเมตตานะเมตตานะก็คือรักใครสามัคคีกันแต่ไม่ใช่รักใครในทางพนะากันเป็นทางที่ผิดนะแต่รักกันที่จะเดินไปทางที่ถูกนี่คือความรักใครที่เรียกว่าเป็นเมตตา ชวนกันในทางที่ดีชวนกันในทางที่ไม่ดงชวนกันในทางที่จะออกจากความทุกเนี่ยเป็นความเมตตาเป็นอย่างสูงเลยนะเราต้องมีความรักใคร่เมตตากันชวนกันภาวนาชวนกันออกจากความทุกถ้าใครดงกันไปก็จะกิจติเตียนกันบ้างนะหรือถ้าไม่มีคนบอกแล้วก็ติเตียนตัวเองบ้างก็ได้นะเรียกว่าฝึกตนสอนตนนะหรือชี้ให้คนอื่นเขาเห็นบ้าง แต่ก็ต้องชี้ด้วยความเมตตานะไม่ใช่ชี้ด้วยความด่นนาว่ากันนะชี้ด้วยความเมตตาเพราะว่าฉันเมตตาฉันก็เลยชี้ข้อบอกพร่องให้เธอได้ปรับปรุงแก้ไขนะไม่ใช่ชี้เพราะว่าอยากจะมุ่งร้ายกันอันเนี้คือความที่มันเป็นเรื่องของศีลเรื่องของธรรมทั้งนั้นนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงแค่การเดินจงกรมการยบมือสร้างจังหวะการทําวัดสวดมนต์การทําสมาธิการทําบุญไตบาตไม่ใช่เท่านั้นเท่านั้นอันนั้นเป็นเพียงแค่รูปแบบภายนอกนะ รูปแบบภายนอกเราเอามาเป็นส่วนประกอบแต่เนื้อหาภายในสิเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะบางคนทำกิริยาอาการเดียวกันนี่แหละแต่จิตใจมันต่างกันดังนั้นการจะทำอะไรนะบางทีไม่สำคัญเท่ากับว่าเราทำด้วยอาการกิริยาอย่างไรนะกิริยาอาจจะไม่ใช่กิริยาภายนอกแต่เป็นกิริยาภายในใจนะนะแต่เป็นเราก็ดีเป็นใครก็ดีทาอะไรก็ดีนะ เหมือนกันต่างกันหรือไม่นั่นเป็นเรื่องสมมุติภายนอกเท่านั้นแต่ประเด็นที่สําคัญคือเราทําอย่างไรเราสวดมนต์ไหว้พระทําอย่างไรไม่ใช่แค่เอ่ยคําสวดมนต์ไหว้พระไปแต่จิตใจเราน้อมระนึกถึงพระพุพะทธพระธรรมพระสงฆ์จริงหรือเปล่าในขณะที่สวดมนต์ไหว้พระจิตใจมีสติไหมหรือสวดมนต์ไปแต่ปากแต่ใจไปคิดสารพัดเรื่องนะเราสามารถมีสติรู้ทันตัวเองหรือเปล่า ตรวจมนไหว้พระจบคร บ, ครบเท่ากันแต่จิตใจแตกต่างกันไปอันนี้ะเป็นเรื่องที่ว่าเราเอาจจะทําอะไรเหมือนเหมือนกันแต่จิตใจมันวางต่างกันอันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญบางคนนะทำงานนะอย่างท่านวลางนะหาฟืนแบกฟืนทําอาหารในโรงครัวบรรลุธรรมก็มีนะแต่บางคนทํางานในครัวแทบตายนะไม่บรรลุธรรมก็มีนะ บางคนนั่งสมาธิเดินจงกรมนะบรรลุกธรรมก็มีแต่บางคนนั่งสมาธิเดินจงกรมอัตตาตัวตนพองโตใหญ่ขึ้นเขาก็มีนะทำเหมือนกันนะแต่จิตใจมันต่างกันนะถ้าเราทำด้วยจิตใจที่เรียกว่ามีเจตนาที่ถูกถูกในศีลถูกในธรรมนะจะทําอะไรก็ได้นะที่นะไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนตนเองไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนคนอื่นจะอาศัยการงานอาศัยตู้แบบนั้นนะ เป็นตัวสอนรรมะทั้งนั้นจะเดินจงกรมก็ดีจะนั่งสมาธิจะนั่งยกมือสร้างจังหวะก็ดีจะทำงานก่อสร้างก็ดีจะทำงานครัวก็ดีจะค้าขายก็ดีจะทำอาชีพอะไรต่างๆก็ดีมันเป็นแค่กิริยาภายนอกแต่กิริยาภายในใจนะมันจะตอดมันจะดูตัวเองตลอดเวลาดูว่าตอนนี้กายมันเป็นแบบไหนดูว่าตอนนี้ใจมันเป็นแบบไหน เห็นในปัจจ <t> ุบันนธรรมที่เกิดขึ้นกับกายแล้วก็ใจนี้นะเมื่อเห็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นกักายและใจนี้มันจะเห็นความจริงของกายและใจเนี้ยมันตกอยู่ในกฎของไตรลักทั้งนั้นมันมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมีแต่สภาวะธรรมที่ตั้งอยู่มีแต่สภาวะธรรมที่ดับไปไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่สภาวะอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่สามารถยึดอะไรได้เมื่อมันเห็นความจริงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะ จะทําอะไรก็แล้วแต่มันเกิดความสุขนะแต่เป็นความสุ ข, สขที่เกิดจากความสงบสงบจากกิเลสสงบเพราะว่ามันมีทุกข์นะมันเป็นความสุขที่แท้จริงที่มันจะเกิดขึ้นได้เนียนะ่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้พวกเราได้ทําแบบนี้ทําด้วยความมีสติเพื่อให้เกิดปัญญานะผ่าใจนี้ออกจากความทุกข์ให้ได้ที่จริงใจนี้มันไม่ทุกข์หรอกแต่เพียงแต่ว่าความหลงไปยึดว่ากายและใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเรามันก็เลยนํามาซึ่งความทุกข์ แต่เพื่อมาเห็นความจริงว่าการนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ทุกแล้วก็แค่นั้นแหละนะจะทําอะไรก็แล้วแต่นะพยายามนะพยายามทำเหตุให้มันถูกต้องก็คือว่าทําด้วยอาการกิริยาอย่างไรถึงจะถูกทํานะโดยไม่ต้องไปหวังผลหรอกว่ามันจะเกิดผลอย่างไรบางทีมันทําถูกแล้วแต่มันยังไม่เกิดผลก็เป็นเรื่องของมันเหมือนเราปลูกต้นไม้ทําหน้าที่ในการปลูกต้นไม้แล้วทําหน้าที่ในการ ใส่ปุ๋ยพรวนดินลดน้ําแล้วหน้าที่ของต้นไม้เมื่อถึงเวลาเด็กเขาก็ผิใบนะออกดอกออกผลนะขึ้นมาของมันเองถ้าเราทําเหตุถูกแล้วนะผลก็ตามขึ้นมาของมันเองนะนะไม่ต้องไปสําคัญมั่นหมายดอกว่าเมื่อใดมันจะเกิดผลขึ้นมาแต่ที่จริงธรรมะมันน่าอาศัศจรรย์กว่านั้นก็คือว่าถ้าเราทําถูกเหตุในปัจจุบันมันก็เกิดผลทันทีในปัจจุบัน คือถ้าเรามีสติเมื่อร่จิตใจมันก็ไม่ไมคิดนะมีสติเมื่อร่จิตใจก็วางการยึดมั่นถือมั่นในตัวตวนนี้ก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นนิพพานน้อยๆนะเป็นนิพพานชิมรองเป็นความทุกข์นะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อหน้าทันทีมันเรียกว่ามันมีความพ้นทุกข์ในปัจจุบันทันทีเลยนะนะมันเป็นควา ม, มาเป็นความอัศจรรย์ในความธรรมดานะ จะว่าอัศจรรย์ก็ได้จะว่าธรรมดาก็ได้แต่มันเป็นความจริงที่ปรากฏนะปรากฏขณะที่เรามีสตนะิที่จริงไม่ใช่เรามีสติหรอกปรากฏในขณะที่อาการของสติมันทางานอาการสติมันทำงานมันก็เกิดในการอยู่กับปัจจุบันเมื่อเห็นในปัจจุบันจิตใจก็เรียกว่าไม่ไปดงในอดีตไม่ไปดงในอนาคตแต่ก็ไม่ใช่ไปยึดในปัจจุบันนะมันอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้ทันว่า แม้แปัจจุบันนี้ก็ยังยึดไม่ได้ดังนั้น อ, อดีตก็ไม่ ย, ยึดอนาคตก็ไม่ยึดปัจจุบันก็ไม่ยึด น, น, นะแต่รู้ที่ปัจจุบันนี่แหละนะไม่ยึดทั้งสามการนะถ้าเธอไม่ยึดทั้งสามการทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเมื่ อ, อ, อ น, นั้นก็จะไม่มีเธอทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าและในโลกปัจจุบันเมื่อไม่มีเธอแล้วมันก็ย่อมไม่มีผู้ที่ไปทุกข์ผู้ที่เตเบความทุกข์ มีแต่อาการของความทุกข์ที่เกิดขึ้ น, นแต่ไม่มีผู้ทุกขนะ์เนาะให้เราพยายามศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อถอนความทุกข์ออกจากจิตใจให้ได้แล้วก็เป็นการันตีมิตรกันนะมองกันในฐานะเห็นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เห็นเป็นเพื่อนที่จะเดินทางไปสู่ความไม่ทุกข์ด้วยกันนะพยายามเป็นการันตีมิตรกันเ น, ะนาะก็ขอให้ทุกคนได้เจริญนะในศีลในธรรมยิ่งขึ้นไปน พาพร้อมกัน